พระธรรมเทศนาแผ่นที่112ลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่22กรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่าเจดีพระอรหันต์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟัน่นเอาลูกหลานอยู่ในความสงบ <Jub ilee> ในช่วงนี้ฝนตกติดต่อกันมาเป็นอาทิตย์แต่ก็ไม่ค่อยจะได้น้ำนะแถบของวัดหลวงพ่อนะแต่วัดอื่นไปเจอหลวงพ่อสุธรรมที่วัดหลวงปู่ทยวันที่18ท่านบอก้โหน้ำท่วมถนนหนทางเกือบออกมาจากวัดไม่ได้ทฝนตกแรงคะ เป็นชวงช่วงนะแต่ในวัดคองหลวงพ่อเนี่ยก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็พอดีๆดสำหรับพวกทำไร่ทานาแต่ก็ในวัดของเราไม่ต้องการน้ำก็รู้สึกว่าชื้นแฉะเพราะว่าลดตกตลอดเวลาพพวกเราอยู่ในป่าดงอีกต่างหากต้นไม้ใหญ่ป่าดงเึิมก็ทำให้ถนนหนทาง ที่พระเดินในบริเวณวัดรู้สึกว่าเป็นตะไคร้พอชงควรเพราะฝนตกติดต่อกันเกือบจะว่าเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยดันั้นให้พระระวังระมัดระวังการเดินทางนะการเดินให้เดินตรงกลางอย่าไปเดินแบบไม่มีสติสัมปชัญญะ ถ้าเดินแบบไม่มีสติสัมปชัญญะหกล้มได้ง่ายๆนะขาหักไม่แช่ขาหักแต่แขนหักเพลื อ, อกหัวน็อคพื้นในต่างหากไม่คุ้มค่าคนนั้นอย่าอยู่ด้วยความเพลิดเพลินอย่าไปอยู่ด้วยความรุ่มหลงอย่าไปอยู่ด้วยความขาดสตินะพระในวัดของเราให้ระมัดระวังช่วงนี้ไม่ว่าจะพระศรัทธาญาติโยมกูเหมือนกันที่มาสู่วัดหลวงพ่อต้องไปที่ไหนต้องระมัดระวัง ไม่ใช่ว่าเดินแบบสุ่มซ้ไปแล้วก็หกล้มขึ้นมาแปลว่ากรรมปัจจุบันนกรรมขาดความรอบครอบปัจจุบันนกรรมคือกรรมในการปัจจุบันเดินแบบสุ่มซ้เดินแบบไม่ระมัดระวังกระทำให้ตัวเองอันตรายได้ เพราะนั้นให้ระมัดระวัง น, ะนอะพาเนีลูกหลานชาติญาติโยมทุกคนไม่ว่าจะมาวัดหลวงพอ่อไปวัดไหนๆก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่วัดไหนตัววัดไหนเ อ, อก็เพื่อความสะดวกสบายก็เทคอนกรีแตออ่เทคอนกรีตจุดนี้แหละ อ, อพอหน้าแล้งมันก็ดีพอหน้าฝนขึ้นมาแล้วก็นนะ เป็นที่ตะไคร์จับมันลื่นไปหมดเลยนนยแล้วก็เป็นอันตรายสําหรับผู้สูงอายุโดยมากหลวงพ่อโดยมากไปแจกของแจกหนังสืออะไรก็ตามพอมาแล้วก็มารับเอารับของรับหนังสือพอยื่นมือสองมือมาเนาะในข้อมือคดโอ้โหไม่ไม่รู้กี่คนแต่กี่คนหเห็นข้อมือคนผู้แก่ผู้เฒ่าผู้สูงอายุคด พอเหตุไรเวลาหกล้มแล้วอกมือค้ำพื้นนะอพอค้ำพื้นขึ้นมาเนี่นั่นแหละตรงข้อระหว่างฝ่ามือกับข้อแขนนั่นแหละตรงนั้นแหละมันหักนะมันหักแต่มันไม่ดึงคืนนะถ้าคนมีเงินเขาคนดึงคืนนะใส่ใส่เครื่องดึงคืนแต่ก็ใจจะขาดนะมันเจ็บนะแต่โดนมากบานนอกอเลยตำเลยคตต้องงอยแตะแ ง, งไปเลยี้ หลวงพ่อเห็นโอ้เนี่ยพอเห็นแล้วก็รู้รู้ได้เลยว่านี่คนแก่หกล้มนะแต่พวกเราท่านนั่งหลายอย่าไปเรียนแบบนะคนแก่นะต้องๆงระมัดระวังไปดีกว่านะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่22กรกดาคมพุทธศักราช2560นะวันนี้เห็นญาติโกโหติเก่าญาติโกโหติกาของหลวงพ่อญาติเก่าแก่นะ เพราะว่าหลวงพ่อไปอยู่ที่บ้านตาตฝากฝังชีวิตไว้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเหล่านี้แหละใส่บาตรให้หลวงพ่อนะหลวงพ่อไปอยู่แต่ตั้งแต่ปี 2,522 จนถึง 2,525 นะนับข้อมือรดยสิลูกหลานกี่ปีแล้วก็จำพรรษาตลอดไม่เคยจำมันไปสำพัรษาที่อื่น ออกปี25แล้วก็มาอยู่ที่นี่ปี26มาจําพรรษาที่นี่นะแล้วก็แต่หน้าแล้งปลีกวิเวกบ้างกาบลาองคหลวงตาไปเที่ยวทุง่งตรงปลีกวิเวกบางปีที่ว่าหลวงตาไม่มีการมีงานภายในวัดหลวงตาว่างๆไม่ได้สร้างกุฏิไม่ได้สร้างอะไรเราก็ขออนุญาตท่าน ปกไปหาวิเวกไปหาภาวนามาแถวอำเภอนายูงน้ำสมบางทีไปจังแคบจังหวัดกรรสินไปแถบผูเรือจังหวัดเลยก็มีแล้วก็ไปแถวบึงการผูลังกาก็มีลงไปทางมุกดาหารก็มีน่แหละปีกเที่ยวอยู่ตามปา่าดงแต่มันกกบปา่าดงสมัยหลวงพ่อนะก็เกือบหมดไปแล้วล่ะทำให้สอบสแสวงหาจริง หาที่อยู่ยากเหมือนกันเนี่ยแหะอันนี้ก็คือเป็นอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเป็นหลวงพ่อก็อยู่กับองค์หลวงตานะเป็นเวลาหลายปีนะถ้าจะว่าไปแล้วก็ถ้าหาว่าหลวงพอ่อพูดอย่างนี้อย่างตูดเทียมก็เป็นรุ่นรุ่นน้องหลวงพ่อนะตูนาค ก, นะก็มาทํางานทําการในวัดทำงานร่วมกันเป็นพวกช่างนะชางกุฏิด้วยกันแต่ก็รุ่นหลังๆนะหลวงพ่อในรุ่นก่อน แต่ว่าหลวงพ่อพูดขึ้นมาเนี่ยผมจะไม่ผิดว่ารุ่นหลวงพ่ออยู่เนี่ยหลวงตาในเข้มงวดกวดขันมากเพราะท่านยังหนุ่มแน่นถ้าใครก็ตามนะพวกเนี่ยพวกช่างทั้งหลายเข้าไปเนี่ยก็ต้องหมอบกลัวหลวงตาหมดหลวงตาไม่ไว้ใครแหละไม่ไว้พระเนนไม่ว่าใครใครหลวงตาตะเพิดทันทีแหละดุทันทีพวกเราในกลัวกัน เหมือนกับหนูหนูกลัวแมวลักษณะอย่างนั้นละ่ะยิ่งกว่านั้นไปอกีกเนี่ยแหละอันนี้ก็คือรุ่นเก่ารุ่นพ่อแม่อย่างเข้มงวดกวดขันอพอต่อมาท่านมีอายุขึ้นมาอท่านก็ปล่อยประละวางในช่วงหลวงพ่อเข้าไปก็เออลูกศรริษยว่า น, น้องๆทั้งหลายได้รับความสะดวกไม่เหมือนกับรุ่นไม่รุ่นรุ่นหลวงพ่ออยู่รุ่นหลวงพ่ออยู่นะโห่แอแปลว่า เตรียมตัวเตรียมกายวาจาตลอดเวลาล่ะเตรียมใจตลอดพอมาท่านอายุมากเท่าไหร่คู่ขนก็มาเกี่ยวข้องมากเท่าไหร่วงหลวงตาทั้งก็ปล่อยปละละวางถ้าหลวงพ่อพูดอย่างนี้พูดที่อยู่มาโดยตลอดก็คงจะพูดว่าหลวงพ่อพูดไม่ผิดนะเพอหลวงพูดน้องพ่อพูดตับความเป็นจริงอันนี้ก็คือการ วางกฎระเบียบขององค์หลวงตาสมัยหนุ่มท่านเข้มงวดพระเนนพอมาสุนสุนกลางท่านก็ปล่อยวางไปบ้างถ้ามีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นพอทุนสูงอายุขึ้นมาแล้วบั้นปลายท่านก็ปล่อยแล้วท่านว่าไม่รู้จะพูดยังไงพอว่าอย่างอื่นสอนให้หมดแล้วใครจะเป็นยังไงก็สุดแท้แต่ ในตำรับตำราในเอ็มสในหนังสือเราก็สอนไว้แล้วนะอันนี้ก็คือองค์หลวงตาแต่หลวงพ่อก็เข้าไปกราบองค์ท่านอยู่นะกราบองค์ท่านโดยสม่ำเสมอเมื่อท่านยังสงทาต์ขันอยู่โดยมากก็เข้าไปถวายจิตตุปัจจัยองค์ท่านนั่นแหะมีอะไรก็ท่านก็เล่ากล่าวให้ฟังแต่หลวงพ่อเข้าไปที่ไหนก็ไปถึงไปถึงท่านนะ ไม่ได้แบบร้อนละเลยแหละกลัวท่านพอถือว่าหลวงพ่อว่าเข้าไปตั้งองกตั้งใจไปมีอะไรก็ไปไทยถามแล้วกราบเรียนท่านเหมือนกับเราลูกอยู่ห่างไกลพอเข้าไปหาพ่อแม่ก็เข้าไปถึงเลยลักษณะอย่างนั้นแต่บางองค์พอเข้าไปกลัวท่านไม่กลา้าเข้าไปใครเขาบอกเข้าไปในวัดท่านอยู่มีแต่ถามข่าวข่าวนะแต่หลวงพอ่อเข้าไปกราบ ในคาวะท่านท่านลูกหลานอยากจะรูนะ้น่ะไปถามหลว ง, งพ่อปิวก็ได้หลวงพ่อน้อยก็ได้หลว ง, งพ่อพูดให้ลูกหลานได้ฟังนะนี่แหละอันนี้ก็คือไม่ ส, สมัยเมื่อหลวงตายังโยต์แต่ได้มาพูดเข้อประเด็นเรื่องสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ให้ลูกหลานได้ฟังนะนั่นที่นี่นะหลวงพ่ออยู่ที่นั่น่อะอันดับแรกกันเนะี่ย ใครเป็นประธานสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นนะสาเหตุที่สร้างพิพิธภัณฑ์เพราะอะไรก็เพราะว่าหลวงปู่มั่นหลวงตาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นมรณะภาพปี2492นออพอ4 9 3่อเดือนสจากนั้นก็ได้ประชมเพลิง ถวายเพงถวายประชุมเพิงหลวงปู่มั่นแต่สมัยนะั้นยังไม่มีไฟพระราชทานนะเ ป, น เ, ปนเป็นการประชุมเพิงโดยคณะสงฆ์มีหลวงปู่เทศจคุณธรรมเจดีวัดโพธิสมพรเป็นประธานใหญ่แต่ฝ่ายบ้านเมืองหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่อ่อนเป็นผู้เข้ามาเกี่ยวข้องจัดการงานแต่หลวงตาในท่านก็ยังเป็นพระน้อยอยู่นะสมัยนั้นนะ อายุพรรษายัางน้อยกว่าเพื่อนเป็นรุ่นน้องนะท่านก็ปีกตัวภาวนาบ้างออกหลบมาหาภาวนาบ้างแล้วก็เข้าไปทามานบ้างแต่เรื่องการงานที่ดูแลงานศพนั่นก็คือหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่กงมาเจ้าคุณธรรมเจดีแต่หลวงปู่เทศก็จนพะผู้ใหญ่ตั้งอยู่ห่างๆนี่แหละก็คือที่จัดการจัดงานของหลวงปู่มันพอ ปีสองพร้ก็ป ร, ป, รประชุมเพลิงเสร็จแล้วก็ต่างคนก็นต่างแยกย้ายกันกลับไปคุณละแหงระหุ่นแต่วัดป่าสุทธาวาสนะนะปัดป่าสุทธาวาสเป็นวัดของเจ้าคุณหลวงปู่มหาทองสุขท่านเป็น เ, น เ, จ, เ, นเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาสจากนั้นท่านจุกคุณมหาทองสุขท่านก็อยู่ที่นั่นเลยท่าน แล้วอัฐบริขารของหลวงปู่มั่นที่ประชุมเพลิงแล้วทั้งเขาเก็บไว้ที่วัดสุฑาวาสใส่ตู้ไว้ตู้หนึ่งกุฏิไว้หลังหนึ่งเป็นทุกกุฏิมุงสังกะสีบานไม้หลังไม้นะ่จากนั้นก็อธิษฐานของท่านก่อนแยกย้ายแบ่งกันไปทุกหัวและแห่งอย่างที่พวกเราได้รู้ได้เห็นพอต่อมาปี 2, 000, 2 5งพันองัอบนนะ ท่านองค์ขมลตรีดรเตชานะท่านเข้ามาหาองค์หลวงตาตั้งแต่ปี2512นสะสมัยนะั้นหลวงพ่อเข้าไปในะปี2512นหะปีเขา้าถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดว่าปี11และปี12บสองนะ่นพอหลวงตาไปเทศไปอยู่ที่วัดบวรท่านองค์ขมลตรีดรเตอเชานะี่ก็จบดรเตอร์มาก็สงสัยไฝธรรมะมาบวชที่วัดบวรบวชกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช พอบวชเข้ามาแล้วก็ยังจิตใจใฝ่ธรรมะเพราะพ่อของท่า น, น เ, เป็นคนธรรมะธรรมโมแล้วก็ท่านได้ลูกชายคนเดียวคือองค์ขมันตีดเตรเชาเนี่ยนะจากนั้นท่านก็เรียนเก่งอีกต่างหากจบปริญญาเอกจากอเมริกานะแต่มาท่านก็ามาบวชพอบวชก็สนใจเรื่องธรรมะพราพ่อแม่พาสนใจธรรมะนะจากนั้นก็ตรงเจ้าคุณเจ้าบุคูลสมเด็จท่านก็เป็นสหธรรมไมกันกับองค์หลวงตานะ ไปมาหาสู่สมัยนั้นหลวงพ่ออยู่ที่บ้านตาาัดเจ้าพกุลสมเด็จก็มาที่วัดป่าบ้านตาดหม่อมหลวงกิตตินพพวง์อาจารย์หมออวยเกษสิงเข้ามาเกี่ยวข้องจากนั้นท่านก็ได้มาไปมาหาสู่กับองค์หลวงตาแต่ได้ท่านองค์ขมนตรีลูกชายวนักบวชกับเจ้าพกุลสมเด็จสมัยนั้นเป็นาศาสนาโสมผลนะ ยางไม่ได้เป็นจุมถิภาาสังขราชนะ่จากนั้นท่านก็เออถ้าหากว่าจะต่อยอดทางภาคปฏิบัตใิให้ไปหาอาจารย์มหาบัวเดอร์ท่านก็งส่งต่อมาให้ท่านทางฝ่ายปริยัติธรรมเนี่ยท่านจะสอนให้ใหวิชาฝ่ายปริยัติธรรมแต่ทางภาคปฏิบัติจิตภาวนาต่อยอดให้ถึงมรรคผลนิพพานแล้วเข้าไปหาหลวงตามหาบัวเดอร์ ตอนี้ท่านองค์ขมวนตรีท่านก็เดีเป๋ประสานการติดต่อม า, าการมาเรามาเห็นหลวงตามหาบัวท่านองค์ขมวันตีดุเตัวชาวก็เป็นผู้มีปัญญาเสียบแหลมอยู่แล้วงนานค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเชื่ออะไรง่ายๆ่ายนะาจากนั้นท่านก็มาเจอหลวงตามาเจอของจริงหลวงตาก็เป็นผู้เสียบแหลมอีกเหมือนกันค่ะจากนั้นท่านเคยเข้ามาอยู่ก็มาศึกษาปี25งพัน้าสิบอ็ดต่อ25งพนหสิบส จากนั้นก็มาศึกษาธรรมะามฟังธรรมจากองค์หลวงตาท่านก็ถามหลวงตากันเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังเลี้ยวกัเกี่ยวกเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นเป็นยังไงยังไงยังไงแต่ใ น, นองค์ขโมนตรีก็อยากจะไปดูวัดป่าสุทธาวาสเนี่ยที่วงหลวงหลวงปู่มั่นมรณภาพแล้วก็จุดตินิพานไปน่ยจะไปกราบพระสถานที่ประชุมเพลิงของหลวงปู่หลวงตากัน ให้ไปท่านก็เลยไปพอไปก็ไปกราบตรงที่พระราชทานเพลิงของหลวงปู่มั่นกัตรงนี้แหละตรงโบสถนะ์น่ะโบสถ์หลังวัดสุทธวานนะโบสถ์หลังนั้นนะ่ะข่อมค่อมที่ไปชุมเพลิงหลวงปู่มั่นเลยละนะโบสถ์หลังนั้นนะ่ะจากนั้นท่านก็ไปกราบในะโบสถ์อะไรเสร็จเรียบร้อยทา่านก็พระกแนะนําว่าแต่ช่วงนั้นหลวงปู่มหาสองสุขเนี่ยมรณะภาพแล้วนะท่านี่ท่านมรณาภาพ แล้นท่านก็ได้ถามว่าพระเขาก็บอกว่าอัถบริขารหลวงปู่มั่นอยู่ในกุฏิหลังนั้นท่านด็ตอร์จะไปกราบไห้หลักษณะนาอย่างนั้นแหละเขาก็แนะนําพระในวัดท่านก็เลยเออไปเพราะท่านคืนไปกราบกุฏิหลังนั้นะ่ะไปเห็นอัถบริขารหลวงปู่มั่นอยู่ในตู้ตู้แท็กมันกระจกใช่ไหมก็ตูโบราณมันก็ยังว่านะดูเ ด, ด, ดูตกแลหลนแหล่ไม่หลนแหล่เห็นท่านด็อร์เห็นนี่ ใครว่าท่านตาถึงตาฉลาดอย่างที่ว่านโอ้โหโบริหารหลวงปู่มั่นเนี่ยมาทิ้งทิ้งขงขวางทําอะไรอย่างนี้ใครจะหยิบอะไรใครจะเปิดอะไรไทยจะทำอะไรก็ได้ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยน่าจะตามจัดให้เป็นสัดส่วนนะจากนั้นท่านไปเห็นเสร็จแล้วท่านก็มากราบองหลวงตาโอ้ไปเห็นอัฐบริหารหลวงปู่แล้วท่านก็แต่กระจุยกระจายถ้าจัดเป็นพิพิธภัณฑ์จะดีไหมครับทนายจานนี่แหละความเป็นมานะ หลวงตาก็เขารบหลวงปู่มั่นอยู่แล้วเออก็ได้ดีนะทุกสิทธินะก็ดีถ้าเป็นไปได้ถ้าอย่างนั้นก็กระผมจะหาทุนท่านอาจารย์เป็นประธานในการก่อสร้างนะแต่ก็เออเอารับทำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นแล้วเราลองรับทันทีเราจะทำได้แต่ตามปกติองค์หลวงตาในเรื่องการก่อสร้างท่านมั่นไม่เอานะ แต่นเป็นเรื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่ น, นท่านน้อมรับเลยเอาเอาได้าจากนั้นท่านก็ท่านองค์มตรีให้อาจารย์ไขสีเป็นผู้หญิงนะตันเิริใกรุงเทพเป็นคนออกแบบพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นนะแต่อาจารย์พอไขสีออกแบบแล้วก็มามาหลวงตาเราก็เรียกประชุม นีมนขอประชุมหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ต่างๆฮนะมาองค์ข้ามนตรีเป็นคนเสนอนะแต่ครูบาอาจารย์รุ่นนั้นท่านก็เกรงใจเกรงใจท่านดเรเฉานะเพราะท่านลูกโตเฉาสมัยนั้นเป็นรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะก็เป็นผู้ใหญ่ในรถไฟพระทั้งครูบาอาจารย์ก็เกรงใจเพราะท่านเขาไปหากราบครูบาอาจารย์องค์ก็ท่านก็อนุมัติ อนตมัดออกมาก็จะสร้างที่วัดสุดทาวาเนี่ยไปดูสถานที่ร่วมกันพอเขาดูสถานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาแปลนออกมากำลังจะวางแผนคือว่าจะทำนั่นแหละดูตอนี้สมัยนั้นน่อย่างที่ว่าเจ้าคุณมหาทองศุขนะท่านมรณาภาพไปแล้วหลวงปู่แว่นก็เลยเข้ามารักษาการแทนหลวงปู่แว่นหลวงปู่ชิมนะสองพี่น้อง หลวงปู่ชิมหลวงปู่แว่นหลวงปู่แว่นเขามารักษาการมาอยู่ที่วัดสุดทธาวาสพอมามาเห็นแปนแปนพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นท่านท่านก็ใครมีคนอธิบายให้ฟังหลวงปู่แว่นโอจะมาทําได้ยังไงอันนี้จะมาสร้างโบสถ์ฝรั่งอยู่ที่วัดสุดทธาวาสมาดู ด, ดูแล้วมันหลังคาโบสถ์ฝรัง่งมันไม่ใช่พิพิธมันไม่ใช่โบสถ์ไม่ใช่ ของคนไทยมาทําอย่างนี้ได้ยังไงไม่เอาไม่เอานะท่านดรเฉาก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่ท่านก็บอกท่านอาจารย์ให้อาจารย์ไปพูดกับหลวงปู่ฟั่นกัแล้วกันในที่เรประชุมในวันนั้นอะ่ะพราะว่าผมเดินทำตามทําตามครูบาอาจารย์ที่ท่านเห็นเห็นด้วยผมก็เลยทําตามนะจากนั้นก็ไปท่านก็ยังไม่ยอมท่านยอมเอาไปหาอาจารย์มหาบัวที อาจารย์มหาบัวเป็นผู้อดําเนินการในเป็นประธานในการก่อสร้างในในข่าวนี้ในเรื่องนี้นะหลวงปู่แว่นก็กลัวหลวงตามหาบัวทีนี่พอหลวงตามหาบัวคําว่า ก, กลัวใครไม่มีน ะ, ะแปลว่าครูบาอาจารย์ในกลัวท่านก็ไม่ได้ใช้อํานาจวาสนาะใช้หลักเหตผลเทําไมจึงสร้างทําไมจึงทําเอพอึสุดที่สุดหลวงปู่แห่นก็เลยเงียบ ท่านองค์ข้านตรีดเรเาเนี่ก็เลยดำเนินการเอาคณะในช่างรถไฟนะเป็นผู้มาควบคุมงานจากนั้ น, นการทำการก่อสร้างหมดไปเท่าไหร่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะสมัยนั้นนะกี่ล้านกวนะ เ, เงินบริจาคนะเนี่ยนะโปรเตสุก่สร้างขึ้นมาน่แหละพวกเราเห็นไหมท่านตเนเี่ก็เหมือนโบสถ์ฝรั่งจริงๆแต่ก็เป็นที่ยอมรับของคู่คนทั้งหลายแต่สมัยนั้นโอ้ ทะเลาะกันหัวล้างข้างแตกนะแต่พอมาเสร็จขึ้นมาแล้วกลายเป็นปูชนียสถานเป็นที่กราบไหว้ของของพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมนี่แหละหลวงพ่อเกิดมาหลวงพ่อรู้จึงเล่าให้ลูกหลานฟัง เ, เกิดมาในยุคนั้นสมัยนั้นลูกหลานที่ได้ยินได้ฟังนกันนะถ้าไม่เชื่อให้ไปสืบสอบดูก็ได้นะมีประวัติอยู่น ะ, อะพอคนยังไม่ตายก็ยังมีอยู่ แต่หลวงพ่อเนี่ยได้รวมสมทบนะนี่คนถวายจตุปัจจัยแต่ตามเมื่จริงในวัดป่าพันตาดจะมีพระที่จะถวายปัจจัยไม่มีหรอกพอเขาถวายปุ๊บหลวงพอ่ออู้อนุโมทนาไปเอาใส่พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นเออหลวงพ่อยังได้สมทบพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นอยู่นะเออหลวงพ่อยังภาคภูมิใจกระทั่งทุกวันเนี่ยวันได้ทําบุญกับพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นเออได้รวมทําบุญ พอต่อมาอีกพอเสร็จแล้วหนะลวงปู่ฟั่นก็มาณนะภาพปีสอทีนี้ก็ปี 2, สองสามศรัทธาญาโจงกัลุมกันจะสร้างพระเจดีผลที่สุดก็ลูกศิษย์ลูกหาไม่ลงรอยกันคนหนึ่งว่าจะทำเหรียญทำลูกหลวงปู่ฟัน่นแล้วก็ขายจำนายขายใช้เช่ า, าแล้วก็สร้างพระเจดีกลุ่มหนึ่งว่าไม่เห็นด้วย มันจะเข้ากรรมการส่วนหนึ่งมันจะขายส่วนหนึ่งสร้างเจดีส่วนหนึ่งใเมื่ อ, อไรมันจะเสร็จคัดค้านกันไม่เห็นด้วยก็แตกกระจุยกระจายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นทหารอากาศในยุคสมัยนั้นนะลูกศิษย์หลวงปู่ฟันนะอะพวกสนามมา้าบางลักษณะอย่างนั้นแหละพอจะผลลัพธ ก, ก็เลยแตกต่อมากกไม่มีใครที่จะโผล่เข้าไปเลย จนทั้งสามสี่ปีเกือบสี่ห้าปีเห็นสมัยนั้นท่านผู้ว่าสายสิทธิ์อนแก้วนะท่านไ ป, ไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมจังหวัดสกล น, นครท่านก็นไปผู้กจานแปลงจะอาว่าทุกวันเนี่ยจะทํายังไงเจดีย์ของหลวงปู่ฟันเนี่ยลอยหลอไปเรื่อยๆเอดูๆจะไม่มีใครเข้ามาก่อสร้างนะเราจะเข้าเอาใครเป็นประธานนะ เขาเลยปรึกษากันโอ้เห็นแต่หลงวงตามหาบัวเท่านั้นะ่ะที่จะมาเป็นประธานอง์อื่นมองไม่เห็นถ้าใครมาก็ล้มกระจกระจายอย่างนี้แหละจากนั้นก็เขาทั้งผู้วาดสายสิทธิ์กับอาจารย์แปลงเข้ามาตอนเช้าอย่า ง, างวันนี้นะหลวงพ่อยังอยู่ในเหตุการณ์นะศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อเล่าให้ฟังนะพอมาเสร็จแล้วกับฉันจังหาัเสร็จแล้วก็ท่านก็มาคุยกันอยู่ที่ศาลาชั้นบนนะบ้านตาดนะ อาจารย์แปลงด้วยผู้ว่าสายสิทธิ์ผนแก้วด้วยกับคณะสัตยาญาติโยมประมาณ10บกว่าคนมั้งคณะกรรมการของวัดก็บอกว่าขอให้หลวงตาเป็นประธานหลวงตาโอ้ยออมีแต่เขี้ยวมีแต่เล็บยาวๆถ้าเราเข้าไปเด็กก็จะขมําเราเอีกนะเราไม่เอาไ ม, ไม่ไม่ได้หรอกท่านก็โอ้ท่าหลวงตาไปรับให้เป็นประธานไม่ก่อสร้างกระมองไม่เห็นใครละพอมัน ขึ้นมาทีไรก็เป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าลงตาเามตตานุเคาะเจดีลงปู่ฟันก็คงจะขึ้นมาได้ท่านก็อลมเอา้าเดี๋ยวเราลับไว้ก่อนนะพิจารณาก่อนจากท่านท่านก็เลยถามถา ม, ถามทางท่านองค์ข้วมนตรีที่สร้างพิพิธภัณฑ์มาใช่มสร้างมาด้วยกันสำเร็จมาแล้วเนี่ยท่านก็ถามว่าเป็นไงลูกศิษย์ท่านถามลรกเตยเฉานะลูกศิษย์เป็นยังไงเป็นไปได้ไหม ที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์พอจะดำเนินการได้ไหมท่านท่านองค์ขวันตีท่านก็เคารพในหลวงปู่ฟันอยู่แล้วนะเคารพในองค์หลวงตาท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านอาจารย์เป็นประธานให้ทั้งฝ่ายฟังฝ่ายสงนะผมผมขอจีบม้อมยินดีที่จะมาให้การสนับสนุนในการก่อสร้างครับผมเออเอาถ้าอย่างนั้นก็เอาเลยละนะลูกศิธิ์นะ ต้องช่วยนะครับผมถ้าเขาก็ให้อาจารย์ไขสีตันสิริอย่างเก่านั่นะผู้หญิงนะเป็นคนออกแบบพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่ฟั่นนะเอ่สิ่งเหล่านี้ให้พวกลูกหลานไปสืบสอบดูนะอที่หลวงพ่อพูดให้ฟังจากนั้นก็หลวงตาก็เป็นประธานแต่นี่เงินเงินการสร้างพระเจดีย์ของหลวงปู่ฟัน่นรู้สึกว่าน้อยมากเลยข่าวนะนะั้นนะเอท่านองค์ก็บนตีท่านโอ้หาเงินหาใครต่อหาใครหาใครต่อหาใครนะ ผลที่สุด ก, ก่อนที่จะขึ้นฟื้นขึ้นมาได้หลวงพ่อยังจำได้อยู่ท่านองค์ขมนตรีท่านบอกท่านอาจารย์สนามม้า ส, สนามม้าสนามมวยแล้วก็เงินล อ, อตเตอรี่สาพวกกองสลากกินแบ่งนะถ้าถ้าไปขอเขาเขาก็จะแบ่งเพื่อการกุศลให้เรามาสร้างเจดี ท่านอาจารย์จะว่ายังไงครับผมหลงตากันเน่งอท่านบอกอยจาเถอะอย่าน่ลูกสิทธ์นะไม่เอาละอันนี้เงินการพนันเอาเงินการพนันไม่ให้คนกราบคนไหว้เนี่ยอาจารย์ไม่เห็นด้วยเลยไม่เอาถึงยังไงยังไงก็ค่อยเป็นค่อยไปเงินการพนันเนี่ยเงินที่ไม่ไม่บริสุทธิ์อย่าเอามาสร้างเจดีย์ให้คนกราบคนไหวเ้เถอะนะไม่เอานะ้นีอันนี้หลวงพ่อก็ได้ยินฮะ แต่ไปถ้าเป็นองค์อื่นโอ้ยกระโดดใ่เลยละ่ะว่าจะได้เงินใช่แต่หลวงตา ไ, ไม่เอานะลูกหลานนะให้ฟังเอาไว้นี่แหละตระกูลของเรานะจากนั้นก็ท่านองค์ข้างบนตีเหลือเอานะตุปัตตุไปเปตุักเตโอ้ยากมากท่านอาจารย์ออตอนที่จะมาขึ้นมาถึงฐานลลนี่แหละมันยากมากาใครๆก็ยังไม่เห็นว่ามันจริงจังจะเป็นพระเจดีย์อย่างไรบ้างผมก็เลยพอไปถึงฐานน่ะ ผมก็หาไม่รู้หาไข่แต่วันหนึ่งผมก็ได้ไปเจอคุณเฉลียวกระทียมแดงผมก็เลยไปหาคุณเฉลียวไอ้คุณเฉลียวพอจะช่วยเจดี JD ของหลวงปู่ฟันไหมเพราะว่าในคุณเฉลียวสมัยนั้นก็ยังห่างเหินจากวัดอยู่ยังไม่รู้จักวัดว่าเท่าไหร่ยังห่างอยู่เพราะเขากําลังทาํามาค้าขายกําลังตั้งตนตั้งตัวนะแต่เขาก็รวยคนหนึ่งแต่นี่ท่านอกเงาบนตีดรเตอรชาเขาเลยเข้าไปท่านก็บอกถาม อคุณฉเฉลียวพอจะช่วยได้ไหมคุณฉเฉลียวขาดเท่าไหร่ยังขาดเท่าไหร่มาผมจะรับเอาเลยทันนักเตะชาวเขาบอาโอดีแต่ผมโกจงคงจะไม่ให้ทั้งหมดนะอแต่ว่าผมจะหาไปก่อนเดือนงวดนี้ได้มากจะว่างวดนี้จะจ่ายหนึ่งร้อบาทสมมตินะจ่ายหนึ่งรอบาทแต่ถ้าว่าผมหาได้เจนะ็ดสิบแปดสิบผมจะขอเพิ่มคุณ ให้ครบร้อยจ่ายงวดให้เขาคุณจะรับได้ไหมบางทีอาจจะพอบางเดือนอาจจะขาดมากบางทีอาจจะขาดน้อยอคุณเฉลียวเอาได้เลยโอ้ยท่านอาจารย์เลยผมได้ยินคุณเฉลียวรับเพียงแค่นั้นนะเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกของผมผมตีอกตีใจมากเลยนี่แหละความเป็นมาเจดียพิพัฒน์ของหลวงปู่ฟั่นนะจากนั้นก็ได้สร้างขึ้นมาสูงตระห ง, ง่านขึ้นมาก็เป็นที่กราบไหว้ของ ผู้คนทั้งหลายเป็นสนาราศีของอำเภอพรารณาในขมสกลนครน ะ, ะก็คืออะไรคือพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นที่ใครมาก็ต้องไปกราบพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นจากนั้นก็มากราบพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฟัน่นนี่แหละใครเป็นคนสร้างใครเป็ น, นเป็นประธานหลวงตาไม่อนุญาตฉัอย่างนั้นใช่ไหมหลวงตาไม่เห็นด้วยอย่างงั้นใช่ไหมหลวงไม่ให้สร้างพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์อย่างงั้นใช่ไหมหลวง พ่อเล่าให้ฟังอย่างนี้ลูกหลานคณะัตหาญาติโยมต้องไปสืบสอบดูนะพอหลวงพ่อเกิดในเหตุการณ์ในคราวนั้นจึงมาเล่ามากล่าวให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังนะลูกหลานบ้านตาดนี่แหละพวกนั่งฟังอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อนี่แหละถ้าหลวงพ่อไปพูดที่อื่นลูกหลานบ้านตาดก็คงจะว่าหลวงพ่อไม่ได้ยินบัดใี้หลวงพ่อพูดให้ได้ยินเลยว่านนี้แนหะบัดไี้มาถึงเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาของเราก็เหมือนกัน หลวงตาไม่อนุญาตนะให้สร้างนะหลวงตาขั้นระดับหลวงตาแล้วนะจะอนุญาตให้สร้างเจดีย์เป็นไปไม่ได้พูดอย่างนั้นได้เมื่อเราตายไปแล้วนะให้สร้างเจดีย์ให้เราได้ใหญ่นะพวกท่านทั้งหลายนะถ้าว่าหลวงพ่อได้ยินอย่างนั้นหลวงพ่อก็คงจะหัวฟดเหมือนกันนะโอ้พ่อแม่คุยจารนพูดได้ยังไงให้สร้างเจดีย์ใส่กระดูกของตนเองเอทําไมคิดได้ยังไงทําได้ยังไงหลวงพ่อก็คงจะคิดไปในมุมหนึ่งอีกเหมือนกัน แต่นี้หลวงตาได้ยามายุ่งนะเรื่องของเราเออเรื่องของเราคือเรื่องของเราเมื่อเราตายไปแล้วนะเงินทุกบาททุกสตางค์ซื้อทองคําเข้าคลังหลวงเอเข้าคลังหลวงนั่นนั่นนั่นแหละจุดประสงค์ของเราแต่เรื่องของเราอย่ามายุ่งนะอันนี้ก็คือเป็นแนวแถวของปราดปราดทั้งว่าอย่างนั้นอาจากนั้นเมื่อท่านห่วงรับไปแล้วสิทิญาณุสิทธิท์ทั้งหลา ย, หลายเห็นคุณค่าพระ อ, องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์น่ย เป็นพระมหาเทระผู้ใหญ่แต่เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ยังบอกได้ยินกันทั่วหนาว้าว่าเท่าเมซีแก้วสมควรสร้างพระเจดีย์ท่านล่าสร้างเจดีย์ท่านจวนท่านสิงทองหลวงปู่ผู้จังหวัดเลยสวนควรสร้างเจดีย์หลวงปู่อะไรหลายๆอย่างหลายๆอยงค์สมควรสร้างจะทูปพระเจดีย์ ไม่ใช่ว่าตายเท่าไหร่กบเขียดตายที่ไหนก็จะมาสร้างเจดีย์ไม่ใช่นะอันนี้เราก็ได้ยินใ น, ในองค์หลวงตาในเมื่อท่านรู้ว่าองค์ไหนควรสร้างพระเจดีย์ในของท่านละ่ะขององค์หลวงตานะไม่สมควรจะสร้างอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราศิษยานุสิษย์ทั้งหลายที่รักเคารพในองค์หลวงตาพวกเราก็ควรจหลอมน้อม ให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเมื่อสร้างเสร็จแล้วเป็นของใครสร้างที่วัดป่าบ้านตาดทํามันทําให้ลบกวนบ้านตาดใช่ไหมไทยไม่ให้บ้านตาดเสียหายใช่ไหมวัดป่าบ้านตาดเสียหายใช่ไหมก็ไม่น่าจะเสียหายเพราะมันห่างจากวัดป่าบ้านตาดถนนผ่านกลางอยู่แล้วน ะ, ะมันเป็นเอกเทศอยู่แล้วนะเป็นสถานที่วัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ใครจะเข้ามากราบวัดป่าประตาก็มากราบพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์แล้วก็พิพิธภัณฑ์อันนี้เราจะเน้นหนักไปทำในทำคำสอนอไม่ใช่ว่าเราจะทำแบบหลวงปู่ลีหรือว่าหลวงตา ร, รมที่วัดสุตาวาสมีอัฐบริขาร เ, เข้าไปแล้วก็ไปกราบอัตรบริขารของท่านบริหารข้อท่านก็สอนอะไรไม่ได้นะมีแต่ว่าไปกราบ เป็นอนุสติระลึกถึงหลวงปู่เสาอนุระลึกถึงหลวงปู่มั่นระลึกถึงหลวงตานะแต่บัดนี้เราคิดว่าในพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนะี่ยเราจะทําให้เหมือนกับเจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วนะคุณแม่ชีแก้วเนะี่ยเราจะทําประวัติของคุณแม่นะไว้ทั้งใต้ใต้พระเจดียนะ์แล้วก็มีทําคําสอนของคุณแม่ด้วยแทรกเข้าไปนะแตนะ่เราเห็นว่าสมัยหลวงตายัง ยังสงทาดขันอยู่นะเวลาท่านไปเจดีของคุณแม่ชีแก้วนะทำให้เชื่อให้ถามถามผู้ติดตามดูนะหลวงพ่อมาได้ติดตามนะแต่เห็นหลวงพ่อเห็นในภาพในรูปในวิดีโอนะหลงปุ๋หลงตามหาบัวภาพจีวรพาดผาและก็เยอะเอามือคว่ยหลังอ่านแต่ละแผ่นและแผ่นและแผ่นแต่ในแผ่นนั้นก็บอกว่าผู้เท่าแม่ชีแก้วเป็นอย่างไร เราเป็นอย่างนั้นในเรื่องความบริสุทธิ์ตุดพ้นจากอาสวะกิเลสถ้าหาว่าท่านเห็นแล้วท่านก็ออไม่ใช่นะอย่าไปเขียนอย่างนี้ไม่ได้นะท่านคงจะบอกจะกล่าวนะอันนี้ท่านไม่ว่าอะไรเลยท่านยอมรับนี่แหละอันนี้ก็คือองค์หลวงตาที่ท่านไปเห็นพิพิธภัณฑ์ของคุณแม่เพราะนั้นเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตานี่เราก็คิดว่าคงจะทําลักษณะอย่างนั้นแหะมีแผ่นพระธรรมคําสอนของหลวงตา เป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นให้เป็นอมตะไปเลยให้อยู่นานใส่หินแกลนิดไปเลย เ, เพื่อให้ลูกหลานคณะสัตายาญาิโยงเขามาก็ได้อ่านได้ฟังได้ศึกษาหลังจากนั้นก็ได้นําไปประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของตน เ, เ จ, เจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาก็จะอยู่นานเท่านานแต่หลวงพ่ออินอนุเดียวนี้7จ็ปีแล้วนะหลวงพ่ออินจะคงจะอยู่ไม่นานเจดีของหลวงตาใช้เวลา3ปีนะลูกหลานนะ สามปีเนี่ยจะเสร็จตามสัญญานะแต่หลวงพ่ออินจะถึงสามปีหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะลูกหลวงพ่อจะก็พยายามสักกยื้อเหมือนกันนะหายใจไม่ให้ใจหายใจขาดนะถ้าหายใจขาดเมื่อไหร่หลวงพ่ออินก็ตายเมื่อนั้นนะแต่หลวงพ่ออินจะพยายามยือ้อหายใจไปให้เจดีของหลวงตาเสร็จซะก่อนเพราะ น, นั้นพี่น้องลูกหลานนะชาวบ้านตาดนะอย่าไปใจขาดเร็วนะให้สักกยื้อเอาไว้ให้หายใจเอาไว้ ให้เจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเสร็จซก่อนสมบูรณ์ซะก่อ น, อนอผู้ใดเคารพรักเคารพนับถือเรื่มใสก็ได้ชาตุภูคาได้สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ให้กับพระอรหันต์องค์หลวงตาสุดอกสุดใจให้คนทั้งหลายได้กราบได้ไหว้เคารพสักการะบูชาเนี่แหละเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเรานะลูกหลานสัทยา ญ, ญาติโยมเนะนี่ยเดี๋ยวหลวงพอ่อเล่าให้ฟัง อันนี้เป็นประวัติาศาสตร์ส่วนหนึ่งพวกลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังก็คงไม่รู้นะหลวงพ่อเนี่ยเกิดมาในยุคใดหลวงพ่อกขาเล่าเรียงลําดับให้พวกเราฟังใครเป็นใครใครเป็นใครให้เป็นพระเอกใครเป็นพระรองนะให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังถ้งว่าลบพูดมากไปกว่านี้เดี๋ยวครูบากรุ ก, ท, กทั้งหลายก็คงจะหิวอาหารนะเอาตอนนี้ไปกระพอแล้วนะวันนี้นะเอารับพอในทะันีเนอ